ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มันมีมากจริงๆแต่บุฟังมีมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวก็มาทุกได้เรื่องเกี่ยวกับเงินทองก็มาทุกได้เรื่องเกี่ยวกับคนอื่นการเมืองสุขภาพอะไรต่างๆก็มาเป็นความทุกข์ได้หมด ไม่ว่าอะไรก็าตามในโลกนี้ที่มันเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารมิญญาพืานทีสิ่งบางสิ่งจับต้องไม่ได้แต่แค่เป็นความคิดในหัวเป็นเรื่องราวอะไรบางอย่างฝันอย่างนี้เป็นต้นก็ยังเอามาทุกได้แต่ตั้งที่ไม่มีตัวตนตื่นก็ลืมไปแล้วไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นคือสิ่งเนี่ยที่ว่าเอามาเป็นความทุกข์ได้มันก็เป็นสภาพ ที่มันเกิดขึ้นของมันอยู่ธรรมดาแต่เราเอามาเป็นความทุกข์ของเราถามว่าไอ้สิ่งบางสิ่งที่เราพบเจอที่เราคิดว่ามันเป็นความทุกข์ของเราเนี่ยคนอื่นบางทีเขาไม่ได้เป็นความทุกข์ของเขาด้วยเช่นว่าเราฝันแล้วเราก็โอ้ยฝันร้ายมาเป็นความทุกข์ว่าโอ้ยฝันที่เราฝันนี่มันจะหมายถึงอะไรนาะ ลูกฉันจะเป็นยังไงเมียฉันจะเป็นยังไงผัวฉันจะเป็นยังไงการงานฉันจะเป็นยังไงฝันอย่างนี้เอาสิ่งที่เราไม่ได้จับต้องได้ด้วยซ้ํามาเป็นความทุกข์แต่ว่าคนอื่นเขาไม่ได้ทุกข์กับเราไปด้วยเจ้านายเราคนข้างบ้านเราคุณครูเราเพื่อนเราบางคนเขาไม่ได้ทุกข์กับเราไปด้วยสิ่งสิ่งนั้นที่ทําให้เรามีความทุกข์เนี่ย มันไม่ได้ทําให้คนอื่นทุกไปด้วยนั่นก็แปลว่าปฏิกิริยาที่มันเกิดขึ้นในใจของเรามันไม่เหมือนกัน ก, กับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในใจของคนอื่นที่ข้าพเจ้าใช้คําว่าปฏิกิริยานี้หมายความว่าพอมันเกิดขึ้นในใจเราปุ๊บเนี่ยมันจีตปุ๊บเราทุกข์แฮแต่พอมันเกิดขึ้นในใจคนอื่นเอ๊ะทาไมมันไม่จีตในใจคนอื่นแตเรากำลังพูดถึงบางสารเคมียอย่างเงี้ยท่านฟังผสมกันลงไป คนค น, คนบุ่มขึ้นมาอา้าวเปลี่ยนแปลงมีสภาพเป็นต่างๆเอ๊ะแต่ทําไมสารอย่างเดียวกันไม่ผสมกลับบางทีไม่เกิดอะไรขึ้นปฏิกิริยาที่มันจะเกิดขึ้นทําให้เร า, เามีความทุกข์ทำให้เรารู้สึกเจ็บช้าน้าใจทําให้เราขึ้นขึ้ น, นลงลงไอ้ปฏิกิริยาจริงๆตรงนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรจำเฟังรู้ไหมในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเรียกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาแล้วจริงๆสารต่างๆในโลกนี้ เคมีสิ่งอะไรก็แล้วแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของมันเนี่ยมีสภาพเป็นไปตามที่มันเป็นอยู่ละมันมีเป็นไปตามที่มันเป็นมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไป น, นี้เป็นธรรมดาแต่ทําไมเราถึงเข้าไปทุก์เข้าไปแบบมีความจีจ๊จ๊าดขึ้นลงตามสิ่งที่มันมากระทบเพราะว่าเจ้าตัวเร่งปฏิกิริยานี่นึงตัวเร่งปฏิกิริยานี้ก็คือตัณหานี่หนึ่งตัณหาที่เข้าไปเอาตรงนั้น มาเป็นของเราพอเราเข้าไปติดตื้อมันตื้อทันทีท่านฟังติดตื้อมันตื้อทันทีท่ยังไงเรามึนตื้อเลยเราทุกไปกับมันเลยฝันจริงๆบางคนจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าฝันอะไรตื่นมาแล้วก็ลืมไปแล้วยังว่าเป็นความทุกข์ว่าไอ้ที่ลืมมันอะไรอ้าวพอจำได้จำได้ก็ยังเป็นความทุกข์ไอ้ที่ฝันมันอะไรแต่เพราะว่าความยึดถือตัวไหนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ในขณะที่บางคนฝันเรื่องเดียวกันเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรความยึดถือตัณหาหรืออุปาทานพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตัวเร่งปฏิกิริยานะทำให้อะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยมันมาเกี่ยวข้องทำให้อะไรที่เราไม่ควรจะต้องเอาสิ่งนั้นมาเป็นความทุกข์ของเรามันนันมาเป็นความทุกข์ของเราสิ่งๆนั้นที่มันอยู่ตามสภาพของมันเนี่ย สภาวะที่มันอยู่ตามสภาพของมันมันก็เป็นความทุกข์อยู่แล้วเป็นความทุกข์อยู่ในตัวของมันเองนั้นแล้วถ้าเราเอาสิ่งนั้นมาเป็นของเราคือเราเอาทุกข์มาใส่ตัวเราสิ่งนั้นนะถ้ามาฟังไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณชี้มือไปทางไหนคุณนึกเรื่องใดไ ด, ได้สิ่งนั้นมีสภาวะที่เป็นทุกข์ของตัวมันเองอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะความที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้ ความที่มันมีความเป็นไปอย่างอื่นความที่มันทนอยู่ในสภาพที่มันเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้ฝันเดี๋ยวมันเกิดเดี๋ยวมันดับฝันเี่มันเปลี่ยนแปลงจากสิ่งนี้เป็นสิ่งอื่นต้นไม้ภูเขาท้องฟ้าทะเลสภาพบ้านเมืองความคิดของคนรูปร่างของเราหรือว่าอาคารบ้านเรือนพวกนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปได้ไม่ได้ตั้งอยู่อย่างถาวรมีความปรุงแต่งไปเป็นอย่างอื่น เดี๋ยวเปลี่ยนจากสิ่งนี้เดี๋ยวเปลี่ยนไปเป็นสิ่งอื่นสภาวะตัวของมันเองเ่ยตัวมันเองนะแต่มันไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับใครไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเราฝันของคนอื่นบ้านคนอื่นเรื่องของคนอื่นเป็นต้นเนี่ยเขาไม่ได้ทําให้เราทุกข์เลยแต่ตัวมันเองมันมีสภาวะที่เป็นทุกข์ของมันอยู่แล้วแล้วถ้าเราเอาสิ่งนั้นมาเป็นของเราก็คือเราหาทุกข์ใส่หัวว่ากัแต่ฟังเราอย่าเอาความทุกข์มาใส่ตัวเราเราจะทํำยังไงอ่ะ ไม่ให้ความทุกข์มาใส่ตัวเราเอา้าตัวเรามันก็เป็นตัวทุกข์อยู่แล้วนี่นะตัวเรากายของเราจับดูกายของใครจับดูลมหายใจของใครเอาลมหายใจของเราเเอห้อนี่กายของเราใ เ, เอาแค่นี้มันก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งเพราะมันคือสภาวะที่เป็นทุกข์ถ้าเรามีความยึดถือในสภาวะใดๆก็ตามที่สภาวะนัน้นมีความทุกข์นั่นแหละจะเป็นความทุกข์ของเราแม้แต่ธรรมะของพุทชาติทฝั่ง มีสภาวะเป็นถุกไหมเอาลองพิจารณาดูธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ไม่จํากัดการเป็นสิ่งที่ควรเชิญผู้อื่นเข้ามาดูเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนเป็นสิ่งที่วินยูชนสรรเสริญธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้แล้วเนี่ยมีสภาวะที่เป็นถุกไหมเราพิจารณาดูมันมีความตั้งอยู่ไหม ตั้งอยู่มีสภาวะอย่างอื่นปรากฏไหมมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาไหมอันนี้เรายังไม่ต้องพูดถึงหนังสือเรายังไม่ต้องพูดถึงใบลานเรายังไม่ต้องพูดถึงรูปสลักหรือว่าตัวหนังสือที่เขาสลักไว้กับแผ่นหินที่ก็ถูกทุบถูกลอกถูกเผาถูกทาลายเปื่อยไปตามความชื้นลมและแดดไอ้ห น, นังสือนี่นพังแน่นอนเอาแค่ว่าในใจของเรา อธรรมะล้วนๆเลยธรรมะจริงๆที่อยู่ในใจของเราครูบาอาจารย์ต่างๆบอกธรรมะอยู่ในใจอเอาธรรมะที่อยู่ในใจนั่นแหละมันมันมีสภาวะที่เป็นทุกข์ไหมคำตอบคือมีแน่นอนสิ่งใดมีความตั้งอยู่มีสภาวะอย่างอื่นปรากฏมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาปรุงแต่งตัวมันเองแล้วก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นไปด้วยแม้แต่ธรรมะของบริชาติทุกฝั ง, งมีสภาวะที่เป็นทุก เราเอาสิ่งนั้นมาเป็นของเราคือคุณเอาความทุกข์ใส่หัวแม้แต่ธรรมะก็ยึดเป็นตัวเราของเราไม่ได้ถูกต้องเราจะมา ย, ยึดธรรมะเป็นของเราไม่ได้เราจะมา ย, ยึดพุทธะเป็นของเราไม่ได้เราจะมา ย, ยึดสังขะเป็นของเราไม่ได้ความยึดถืออยู่ที่ไหนนะท่านฟังคือคุณเอาสิ่งนั้นที่สภาวะที่มันเป็นทุกข์เนี่ยมายใส่หัวเราแค่ตัวเราลมหายใจของเรา แค่นี้ก็ทุกพอแรงแล้วยังจะเอาความทุกข์อื่นมาทับถมตัวเองข้าพเจ้าคิดว่าใครก็ตามนะที่เอาความทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถมเนี่ยไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่เพราะว่าแค่ตัวเราเองมันมีความทุกข์อยู่แล้วกายเราต้องดูแลอยู่แล้วการงานเราลมหายใจของเราแค่นี้เราต้องดูแลอยู่แล้วแล้วถ้าเราหาสิ่งอื่นที่ มีสภาวะเป็นทุกข์มาทับถมตัวเราเองด้วยแล้วทุกคนจะต้องนํามันออกไปนําความทุกข์นี้ออกไปทํายังไงเรียกว่าความนําออกเอาเข้าใจเรื่องเอานําเข้ากันนะเดเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าเอามาทับถมตัวเองกันนั่นคือตันหานนึงเรามีความอยากมีตันห์ในสิ่งไหนคุณมีความอยากในธรรมะคุณเอาธรรมะมาเป็นทุกข์ของตัวเองเอา้าวทาไมธรรมะน่าจะดี ก็ธรรมะถ้าดีมันเป็นไปเพื่อความลอกออกหลุดออกล้างออกเช็ดออกถูกออกคัดออกคัดอะไรออกคัดความยึดถือนี่แหละออกแต่แล้วยังเอาธรรมะนั้นมองผิดด้านมาเป็นงูพิษให้เรามายึดถือเอาไว้เข้าใจธรรมะไม่ถูกมึนๆแล้วก็ยึดถือธรรมะนั้นโดยความเป็นของเราก็เอาความทุกข์มาใส่หัวนั่นเองนั้นเปรียบเหมือนพ่วงแพร่ทางฝั่งพุะชาเปรียบเทียบไปบ่อย ในธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วเปรียบเหมือนพ่วงแพ่พ่วงแพร่ให้เราแค่สายข้ามฝั่งข้ามฝั่งหมายถึงยังไงให้มีสุดที่ปลอดภัยปลอดภัยคือปลอดภัยจากอะไรก็ปลอดภัยจากความทุกข์นั่นเองเราจะปลอดภัยจากทุกข์ได้ยังไงก็ปลอดภัยจากตัณหานัหนึ่งเราปลอดจากตัณหานั่นคือจุดประสงค์ของธรรมะที่ทำให้มันเป็นแต่ถ้าเราเอาธรรมะมายึดเอาไว้เป็นของเราต้องสิ่งนี้เท่านั้น จยงอื่นไม่ได้คุณจะเริ่มมีปัญหาล่ะคุณจะเริ่มเลิกเอาทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีทุกข์ทับถมเอาสิ่งที่คุณรู้ใหม่นั่นแหละมาเป็นสิ่งยึดถื อ, อไว้ก็เาทุกข์มาทับตัวเองอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาดูดีๆอะไรก็ตามที่มีสภาวะเป็นทุกข์อะไรก็ตามที่มีสภาวะเป็นทุกข์มีสภาวะที่เปลี่ยนแปลงมีสภาวะที่เป็นไปอย่างอื่น มีสภาวะที่ปรุงแต่งตัวเองแล้วก็ปรุงแต่งสิ่งเงินไปพร้อมกันอย่างสิ่งที่ดีๆเช่นธรรมะเนี่ยนะเราก็เอามาเป็นของเราไม่ได้เอามาเป็นของเราเมื่อไหร่ปัป๊บกุญอาความทุกข์มาทับทมตัวเองทันทีไอตอนที่เอามาทับเนี่ยมันยังไม่รู้สึกเท่าไหร่เพราะมันยังชาอยู่เนี่ยแขนเราชาขาเราชาหยิกก็ไม่เจ็บเอาอะไรมาทับก็ไม่เจ็บใจมันยังชาอยู่มันยังมึนอยู่มึนจากความเพลินมันยังเพลินอยู่มันยังไม่รู้สึก ไม่รู้สึกว่าเอาความทุกข์มาทับตัวเองแล้วหนักแล้วแต่ยังไม่รู้ตัวจะมารู้ตัวอีกทีหนึ่งตอนที่มันเริ่มเปลี่ยนแปลงมารู้ตัวอีกทีหนึ่งตอนที่ไอสิ่งที่เราคิดว่าเป็นอย่างนี้มันกลับเป็นอย่างอื่นแล้วมันจะถูกดึงออกดึงออกตอนนี้แหมยิ่งจะหนักมากอา้าวทำไมตอนแรกคิดว่าถือแล้วมันจะเบาถือแล้วมันจะดีอา้าวแต่พอเขาดึงกลับไปมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างจากที่เราคิด มันหนักมากขึ้นหนักคูณสหนักคูณสนั่นคือจังหวะที่ว่าที่ว่ามีใครมาด่าว่าโอ้ธรรมะไม่ดีหรอกทําไมพระุทธเจ้างงเป็นอย่างนั้นประสงค์เป็นอย่างนี้แล้วเราจะดูได้ทันทีเลยว่าเรามีความยึดถือในสิ่งไหนถ้าเรามีความยึดถือในสิ่งไหนสิ่งนั้นถ้ามีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่ น, นจากที่เราหวังมันจะสิ่งนั้นจะทําให้เรามีความทุกข์จีดขึ้นมาแล้วก็ด่าพระพรุทธเจ้าเขา ทำไม่ดีกับปัปปตรูปหรือว่าเขาพูดถึงไม่ดีกับพระธรรมทำอะไรไม่ดีกับพระสงฆ์สงในใจก็ตามสงข้างนอกก็ตามถ้าเรารู้สึกจี๊ดถ้าเรารู้สึกอึดอัดถ้าเรารู้สึกมึนๆ น, นั่นใช่เลยคุณมีความยึดถือในสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ชื่อคุณชื่อพ่อคุณชื่อแม่คุณแมันก็เอาชื่อมาลอ้อเป็นอย่างนั้นชื่อเป็นอย่างนี้ถ้าเรารู้สึกจี๊ดนั่นแหละใช่ละ เรายึดถือในสิ่งนั้นเอาแค่ความทุกข์ในกายความทุกข์ในใจของเราหมอเขาฉีดยาให้เจ็บชีดโอ้ยแสดงว่าเราถูกผูกอยู่ในความทุกข์นี้สิ่งที่พระเจ้าให้พิจารณานะท่านฟังคือเราจะทำชฉไหนทําอย่างไรที่จะให้เราหลุดออกจากความทุกข์นี้ได้ทําอย่างไรให้ความทุกข์นี้ไม่ออกไปจากใจของเราได้ไม่ต้องพูดถึงว่าจะไปหาความทุกข์ใหม่มาใส่หัวนะ ความทุกข์ใหม่มาใส่นี่อย่าเลยอย่าเลยมันจะหนักรปล่เปล่าเอาความทุกข์ที่เรามีอยู่แค่เนี้พอแรงและเอามันออกไปให้ได้ได้ไหมนะทำยังไงให้เวลาที่เราพิจารณาลงไปเรามีชีวิตอยู่ในประจำวันที่ประจำวั น, นให้กายของเราก็เป็นส่วนหนึ่งเราก็ทำไปทำการงานไปเรียนหนังสือไปทำงานไปทำตามหน้าที่ไปใจของเราแยกออกมา มีความไม่ห ว, วั่นไหวเป็นตาการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่มันมาเปลี่ยนแปลงไอการที่จิตของเราจะฝึกให้ถึงความไม่หวั่นไหวมีความเป็นอเนเชะมีความเขาเรียกว่าอาชาไนเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยบางทีมันต้องฝืนบางทีมันต้องฝึกบันทีมันจะต้องมีความลําบากต่างๆนาน า, นามีสภาวะที่เป็นตัวเกิดในใจบางอันนี้เป็นธรรมดาสิ่งที่เกิดขึ้นได้เราจะถอนพิษบางทียาที่ใช้ถอนพิษ มันทำให้เราเจ็บย่าที่ใช้ถอนพิษบางทีมันทําให้เราแสบแล้วม่ใครที่เป็นแผลเวลาไปล้างแผลในี่ยตูมฟังข้าพเจ้าเคยเห็นโอ้หมอนี่เขาจะต้องถูแผลนะแผลโดยเฉพาะแผลสดแผลที่เป็นเชื้อแบคทีเรียเป็นแผลที่เวรหวัดแล้วแต่เป็นแผ ล, ท, แ ล, นะแลที่มีหนองอย่งนีเขาจะต้องบีบหนองออกให้หมดนะถูให้หมดนะเอาเนื้อที่ มันเปลี่ยนสภาพไปแล้วออกให้หมดตาดออกให้หมดเนะื้อเหลือแต่เนื้อสดๆนะโอ้ยตอนถูนี่ฉีดยาชาก็ไม่ได้ถ้าฉีดยาชาแล้วสภาพของเนื้อที่ดีมันก็จะเปลี่ยนไปแตนะ่บางทีจะทำให้ดูยากว่าอันไหนเนื้อเสียอันไหนเนื้อตายอันไหนเนื้อดนะีก็ต้องทำสดๆก็เจ็บมากนะใส่ ย, ยาลงไปยานี่ก็โอ้ยเจ็บมากนะปิดแผลปิดแผลก็เจ็บอีกนะตอนเปิดแผลจะล้างอีกก็เจ็บอีก แลนะบางความเจ็บในบางทีมันเกิดขึ้นพูะเจ้าจึงให้เป็นผู้ที่มีความอดทนมีความอดทนต่อเวทนาแนะที่กล้าแข็งเจ็บแสบเป็ดร้อนอันจะนำไปเสียซึ่งชีวิตเจ็บเกือบตายนะหรือแม้แต่อดทนต่อคำด่าว่าอันหยาบคายไร้การคนที่อดทนได้นะทุกนฟังเป็นคุณธรรมที่ดีมากอดทนนะในความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา อดทนในความไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจอดทนต่อเสียงอันกึกก้องเหมือนช้างอาชานไยม้าอาชาไนเข้าสู่สงครามเดิมฟังเขายิงหอกป่าหอกมายิงธนูมาเอามีดฟันใส่เราก็อดทนอยู่ได้แต่ไม่ลันหนีวิ่งหนีไปข้างนู้นข้างนี้อดทนต่อเสียงดังกึกก้องของเสียงมรเหมาระทึก เสียงกลองเสียงคนโห่ร้องนกดทนต่อกลิน่นกลิ่นของสัตว์อื่นม้าตัวอื่นช้างตัวอื่นเดี๋ยที่เป็นฆ่าศึกศัตรูบหมนที่เขาอุจจระปัสสวะไว้ตรงนั้นตรงนี้เดีถ้าเป็นสัตว์ที่ไม่ใช่อาชาในเนี่ยมันจะกลัวเดี๋ยสุนัขเนี่ยถ้าเราเห็นสุนัขที่เขาจะไปดมตรงนั้นดมตรงนี้เนี่ยเขาดมกลิ่นของสัตว์อื่นอย่ากลิ่นของสุนัขตัวอื่นถ้าเป็นกลิ่นที่เขากลัวเขาก็จะวิ่งหนีห่างจุกตัวไปก่อน เพราะนั่นมันเป็นการทำเครื่องหมายของสัตว์เอาไว้ที่เดียวกันสัตว์ที่ไม่ใช่อาชาไนเพราะได้กลิ่นอุจจระปัสสาวะของสัตว์อื่น PAL ที่เป็นสัตว์อาชาไนเขาจะกลัวแล้วก็จะวิ่งหนีไปแต่ถ้าเป็นสัตว์ที่อาชาย น, นั้นได้กลิน่นอื่นๆแต่นะเป็นของสัตว์อื่นเราเข้าสู่ดินแดงของสัตว์อื่นเราจะไม่กลัวอดทนต่อความหิวความกระหายบางทีไม่ได้กินตามเวลาไม่ได้พักตามเวลาลวไม่ได้ดื่มน้ําตามเวลาก็อดทนได้ ความอดทนนี่แหละจำฝังยิ่งในสมัยปัจจุบันนะบางทีมันต้องทนมากๆเลยทนต่อสิ่งที่มาด่ามาว่าทนต่อการที่ไม่ได้ตามที่ต้องการทนต่อเสียงที่มากระทบหูเสียงด่าเสียงกึกก้องเสียงดันต่างๆนานาแต่ทนต่อเวทนาทางกายบางทีป่วยบางทีเจ็บเราทนแต่ทนในที่นี้ถ้าเราทนไม่ถูกอดทนไม่ถูก มันก็จะเก็บกดเก็บกดไปเก็บกดไปมันก็จะระเบิดออกมาวันไหนระเบิดออกมาเละหมดทุกคนทั้งคนอื่นทั้งตัวเราระเบิดตู้มเป็นความโกรธออกมาอย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นจะอดทนอย่างไรให้มันถูกอดทนอย่างไรให้กิเลสเนี่ยมันตายอดทนอย่างไรให้จิตเรามันสูงขึ้นคืออดทนในที่นี้ไม่ใช่เก็บกดเต็มฝั่ ง, งคนที่จะระเบิดตู้มออกมาเนี่ยเพราะมันเก็บกด เก็บอะไรไว้เก็บความโกรธเอาไว้เก็บความไม่พอใจเอาไว้เก็บความอยากเอาไว้เก็บเอาไว้เก็บเอไว้เก็บเอาไว้คนที่อยากมากเก็บไว้มากจนระเบิดไม่ทำไม่ไหวระเบิดตู้ออกมาแต่ก็ไปข่มขืนบ้างไปรักทรัพย์บ้างเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เก็บความโกรธเอาไว้แตทนไม่ไหวระเบิดตู้ออกมาเป็นด่าว่าฆ่าคนบ้างทําไม่ดีบ้างเราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์อยู่เยอะแยะ นั่นเพราว่าเขาเก็บกดเก็บกดไม่ใช่อดตนันดงฟังเก็บกฎคือคุณเก็บกิเลสและสิ่งที่เป็นกิเลสสิ่งที่เป็นราคะโตสามัวมันต้องทิ้งเพราะอะไรมันเป็นสายเดียวกันกับตัณหามันเป็นสายเดียวกันกับอวิชาสายตัณหาสายอาวิชาให้ทําอะไรให้ละเพราะถ้าเราเก็บเอาไวา้นั่นคือคุณเอาความทุกข์มาทับททถมตัวเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถมเจออะไรมันติดตึ๊บหมดเจออะไรไม่พอใจมันใส่หมดมันเป็นความทุกข์ของเราหมด แล้วมันก็จะรีเวิร์ดออกมาในลักษณะนั้นแต่คนที่อดทนคืออะไรคือเก็บจิตนั่นเองเก็บจิตของตัวเองเอาไว้ไม่ใช่เก็บราคะไม่ใช่เก็บโทสะนะเก็บจิตหมายความว่างไงหมายความว่าถ้ากิเลสมันเกิดขึ้นบุ่มขึ้นมาโกรธขึ้นมาจี๊ดขึ้นม า, นมาละแล้วมันจะดึงจิตของเราไปไปอะไรไปทตามตามอาไรของความโกรธความโกรธมันจะเป็นยังไงมันก็จะด่าว่าจี๊ดจ้าจิตขึ้นลงเราเก็บจิตตรงนี้นี่คืออดทนนะท่านฟัง อดทนในใจของเราเก็บจิงของเราไว้ไม่ให้ไรไม่ให้ไหลไปตามอำนาจกิเลสแล้วกิเลสมันเป็นยังไงกิเลสมันไม่ใช่ของเราเราต้องไกลจากกิเลสอย่างพระอรหันต์นี่อรหันต์อะไรหันอรหันต์เนี่ยคือไกลจากกิเลสกิเลสมันอาจจะมาอยู่ใกล้ๆใจเราแต่มันไม่ถูกต้องใจเราได้มันจะมันยั่วยวนให้เราโกรธยั่วยวนให้เราโลภยั่วยวนให้เรามึนเราอดทนไว้อดทนคือไม่ให้กิเลสเนี่ย ไม่ให้ใจของเราเนี่ยมันไหลไปตามกิเลสอันนี้ไม่ใช่เก็บกดแต่เป็นการเก็บจิตเก็บจิตเอาไว้มันไม่ให้หวันไหวไปตามสิ่งที่มากระทบสิ่งมากระทบปุ๊บมันเกิดกิเลสขึ้นดันดีทําไมผัสสะไงผัสสะเป็นแดนเกิดของกิเลสแต่มันเกิดที่ใจนะเวลาผัสสะมันเกิดเวลาผัสสะมันมากระทบปุ๊บกิเลสเกิดที่ใจเกิดที่ใจแล้วยังไงกิเลสที่เกิดขึ้นมานี่แหละมันฆ่าตัวจิตมันจะฆ่าแม่มัน ลูกม้าอสแดงเกิดมาเพื่อฆ่าแม่มันคุยภัยเกิดมาเพื่อฆ่าต้นไผ่บลีกล้วยเกิดมาเพื่อฆ่าต้นกล้วยผลไม้เกิดมาเพื่อฆ่าต้นมันสนิมเหล็กเกิดมาเพื่อฆ่าตัวเหล็กเกิดจากอะไรก็เกิดจากตัวมันนั่นแหละมีอะไรเป็นแดนเกิดมีภัสสะนั่นแหละเป็นแดนเกิดภัสสะมากระทบปุ๊บกระทบอะไรกระทบใจเราอะไรเกิดขึ้นถ้าใจคุณยังมีอวิชชาอยู่กิเลนมันต้องเกิดขึ้นกิเลสเกิดขึ้นเป็นความโลภบ้างเป็นความโกรธบ้าง เปนความหลงบงั่งบุนบั่งเกิดขึ้นปุ๊บทํำยังไงนะมันจะมาฆ่าจิตมันจะทําให้ดึงจิตของเราไปไปอะไรไปวันไวายไปตามสิ่งที่มันมากระทบนั่นเองไปวันไวายไปตามอำนาจของภัสสะที่มากระทบภัสสะนี้เป็นอะไรบ้างคนพูดก็ได้มาตามโทรทัศน์ก็ได้ข่าวหนังสือพิมพ์ก็ได้ข้อความที่ส่งมาตามมือถือก็ได้เราสังคมเครือข่ายโซเชียลมีเดียต่างๆมันมาหมดมาแล้วยังไงมากระทบจิตไงถ้าจิต ของเราไม่ได้มีความอดทนนั่นคือเก็บจิตของเราไว้กิเลสที่มันเกิดขึ้นมันก็จะดึงจิตของเราไปถ้าเราปฏิบัติผิดนั่นทั้งฝั่งเราจะเก็บกิเลสไว้เก็บราคะเก็บโทสะเก็บโมหะไว้เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้มันก็ระเบิดระเบิดตู้มนี่จิตนี่สาหัสเลยเหมือนระเบิดคุณจะโยนไปข้างนอกเอา้าดันผิดมันจะมาอยู่ใกล้ๆตัวเราระเบิดตู้มขึ้นมาเราก็เล็กจิตเราก็เลกสถานการณ์ก็ยิ่งแย่ลง นั ก, กิเลสไม่ใช่ของเราท่านผู้ฟังเราพิจารณาดูดีๆตรงไหนคือจิตตรงไหนคือสิ่งที่มากระทบถ้าเราไม่เห็นเราจะอดทนไม่ได้ถ้าเราไม่เห็นเราจะอดทนไม่ถูกถ้าเราไม่เห็ น, เ ร, น, เ, ร เ, หนเราจะทำไม่เป็นทำไม่เป็นเนี่ยก็หาความทุกข์มาทับทมตัวเองทำยัง ไ, ไงถึงจะเรียกว่าทำเป็นทำเห็นทำได้เราจะทำเป็นทำถูกทำได้ทำได้เดี๋ยวนี้นเราต้องมีสติตั้งแต่ฟังมามีสติไหมในลมหายใจมีไหม ว่าจิตของเราก็ส่วนหนึ่งสิ่งที่มากระทบอันนี้ไม่ใช่ของเราสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่มันมีมาการกระทบอันนั้นไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่ของเราไหมไม่ใช่ของเราเอามันเป็นอะไรเป็นเครื่องมือให้มีสติเฉยหน้กายนี้ของเราไหมก็ดูซิมันเปลี่ยนแปลงไหมมันเป็นไปตามสภาพมันเป็นไปนสิ่งที่มีการปรุงแต่งไหมเออถ้ามันเป็นมันไม่ใช่ของเราเฮ้แต่ยังไม่เเข้าใจเลยเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะถ้าเผื่อว่ามาีอะไรเกิดขึ้น คุณเก็บจิตของคุณเอาไว้เก็บยังไงที่ว่าเก็บจิตนะเก็บจิตไม่ใช่ว่าไม่สนใจเขาก็พูดกับเราเราก็เหมือนเป็นหินไม่ตอบเหมือนเป็นตอไม้ไม่พูดไม่ใช่แล้วมันปฏิบัติไม่ถูกเราเก็บจิตเนี่ยจำฝัง่งเหมือนกับคุณมีเครื่องประดับอะไรงามๆสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะเป็นเพชรเครื่องชุดเพชรนะที่แบบมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ สืบนะต่อมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าเหาญาติทวดมาปู่ทวดมาจนถึงรุ่นปู่รุ่นยา่าพุ่นพ่อรุ่นแม่จนถึงมือเราแลนะเป็นเครื่องเพชรที่มีมูลค่ามากและเราจะเก็บเครื่องเพชรชุดเพชรนี้ไว้อย่างดีเราจะทำยังไงเราต้องทำความสะอาดให้ดีนะห่อผ้าไว้อย่างดีผ้านี้ก็ไม่ใช่ผ้าทั่วๆไปต้องเป็นผ้า ล, ละเอียดนะเก็บไว้ในกล่องนะวางไว้ในที่ที่ฝุ่นความชื้นหรือแสงแดดมันจะทําอะไรไม่ได้ นี่คุณเก็บไว้อย่างดีท่านพระสัตรีบุตรก็เคยปริ ด, ดิตฐ์เย็เอาไว้เหมือนภาชนะสำริดนะแม่ภาชนะสำริดนี้คุณขัดมันแล้วอย่างดีคุณต้องเก็บไว้อย่างดีนะไม่ให้ถูกฝนถูกแดดถูกลมเดี๋ยวมันจะขึ้นสนิมได้เราเก็บจิตอย่างดีเนี่ยคือไม่ให้จิตของเราเนี่ยมันมาถูกสิ่งที่เป็นอกุศลมันมากระแทกแนะยังไงสิ่งที่อกุศลมันจะมาทางไหนมันก็มาทางตาหูจ ม, มูกลิ้นกายใจนั่นเองเอา้า นี่เราก็จะไม่ให้ฟังไม่ให้ดูไม่ให้สัมผัสไม่ให้กินอะไรเลยเหรออา้าวก็ไอสิ่งที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยกุศลก็มีอักุศลก็มีไงอา้าวแล้วถามว่าเราจะป้องกันสิ่งที่เป็นอักุศลหรือว่าเก็บจิตอย่างดีได้อย่างไรก็อะไรล่ะเป็นตัวที่จะป้องกันตรงนี้อะไรที่จะเป็นเสมือนนายทวารที่เวลามีสิ่งใดมากระทบรู้จักเลือกว่าอันนี้กุศลเข้าได้อันนี้อกุศลอยากเข้า นั่นคือสติไงท่านผู้ฟังเวลามีอะไรมากระทบสิ่งที่เป็นเหมือนประตูด่านแรกในการที่จะคอยระวังไม่ให้สิ่งที่เป็นอกุศลเข้าให้สิ่งที่เป็นกุศลเข้านั่นคือสติของเราเปรียบเสมือนนายตะวนันที่คอยป้องกันคอยเป็นตัวดูนายตะวันต้องฉลาดนะถ้านายตะวันบือบ้อๆมันก็ใส่ศึกอะไรมามันก็เข้าได้หมดนะถ้าเข้าได้หมดอกุศลก็เข้าได้กุศลก็เข้าได้โดยเฉพาะยิ่งบางทีเอาแต่สิ่งที่ไม่ดีคืออกุศลเข้า กุศลบางทีเราเห็นว่ามันดีเกินไปไม่ให้เข้าอย่างนี้อ้าแสดงว่าคุณเก็บจิตคุณไม่ถูกแต่ที่เข้าไปมันก็ไม่ดีละมันก็เละละเน่าละเปื้อนละแต่ก็ทําให้จิตที่อยู่ข้างในเมืองนะกายของเราเปรียบเสมือนเมืองท่านฟังมีใจเป็นเจ้าเมืองถ้าเราเก็บจิตเก็บใจเก็บเจ้าเมืองรักษาเจ้าเมืองเราไม่ดีนันะมันก็เหมือนกับรักษาคเครื่องประดับของเราไม่ดีเราจะอดทนไม่ได้แต่ถ้าเราทําดีให้มีกุศลอยู่ในใจ นักเก็บเฉพาะกุศลไว้อักกุศลอย่าให้มันเข้ามานักเก็บจิตเอาไว้อย่างนี้เราก็รักษาประตูของเราให้ดีหนจะเป็นผู้ที่อดทนได้มีความเป็นอาชาไนไม่ใช่เก็บกดแต่เก็บจิตเก็บจิตด้วยความอดทนรักษาจิตด้วยความอดทนรักษาจิตด้วยความมีเมตตารักษาจิตด้วยความไม่เบียดเบียนรักษาจิตด้วยความรักใคร่เอ็นดูเราทําอย่างนี้นะท่านฟังจิตใจของเราจะคลายความทุกข์ลงไปได้ ความทุกข์ที่เรามีอยู่มันพ่อแรงแล้วที่จะทําให้เราเนี่ยเห็นทุกได้เห็นทุกแล้วเราเข้าใช้ความทุกแล้วอย่าไปยึดถือเไว้ทุกข์นั้นไม่ใช่ของเราสิ่งที่เราจะต้องวางนั่นคือตัณหาสิ่งที่เราจะต้องละนั่นคืออุ ป, ปาทานเราละตัณหาละอุ ป, ปาทานได้ทุกข์นั้นก็จะหมดไปจากใจของเราเราเป็นผู้ที่คลายทุกข์ได้เราจะสบายใจได้นั่นคือสภาวะที่เป็นสุขนั่นคือสภาวะที่เรียกว่านิพพานนั่นเอง ใครก็ตามที่ฟังไม่ว่าจะเกิดในตระกูลไหนเพศอะไรอายุเท่าไหร่ผิวสีไหนคุณพูดภาษาอะไรก็ตามคุณจะอยู่ที่ไหนในโลกหรือในประเทศถ้าคุณมีใจคุณต้องรักษาใจของคุณคุณอย่าไปคิดว่าคนอื่นจะมารักษาใจของเราเราจะรักษาใจของเราใด้มีความสุขความดีความเจริญประตูต้องระวังระวังประตูอะไรที่มันจะเปิดเข้าสู่ใจ เราคอยรักษาตรงนั้นเอาไว้รักษาให้ดีจะเดิมพัน